พระธรรมเทศนาแผ่นที่ห้าสิบสองลำดับที่สิบสามโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่สิบสองเมษายนสองพันห้า้อยห้าสิบหกมีชื่อเรื่องว่าพระใหม่ยาใจศอกช่วงเมษายีสิบกว่าของเมษา นักศึกษากลุ่มนี้ก็ที่พูดเอาไว้ก็ประมาณสามสิบแต่ทราบว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วบอกว่าประมาณยี่สิบห้าคนที่จะมาบวชแต่ในวัดของเราก็มีสามสี่นากรวมสมทบเข้าไปคิดว่าก็คงจะประมาณสักสามสิบเป็นพระใหม่แต่ถึงยังไง พวกพระใหม่ที่ปวดเข้ามาแล้วเป็นนักศึกษาแพทย์ให้ตั้งใจปฏิบัติให้ตั้งใจภาวนาแต่ไปกลัวแต่ความร้อนอย่างเดียวไม่ได้นะวันหลวงพ่อเห็นมาหลายวันพวกเราโยเยยอยู่ใต้ถุนซาลาหลวงพ่อเห็นแล้วก็เออห น, น่าจะไปภาวนาตามกุฏิของตนเองเพราะเรามีเวลาน้อย แต่หลวงพ่อคือเข้าไปข้างในวันนี้ข้างไ外ก็ไม่เห็นมันจะร้อนเท่าไหร่มันก็มีต้นไม้เป็นลมเงาก็เย็นสบายอยู่สงบสงัดแต่หลวงพ่อคิดว่าคงจะนักศึกษาทั้งหลายที่เข้ามากงจะว้าวเวงอ้างว้างเงียบเงาจะมากกว่าที่จะกลัวความร้อนที่เป็นเครื่องอ้างเพราะฉะนั้นพวกเราต้องสู้แต่ขนาด กูบาทั้งหลายกูบาเก่าทั้งหลายเอาไปตากแดดไปทำการงานก็ยิ่งร้อนกว่าพวกเราพวกเราอยู่ในร่มก็ยังกลัวความร้อนอีกทาไม่จัดว่าพวกเราคิ้แอร์นะจะจัดว่าจะไงพวกเราต้องเข้มแข็งนะเพราะต่อไปจะเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้าต้องสู้ทุกรูปแบบแต่ขนาดลุงพ่อนละงพ่อก็ยังนุ่เดินไปตากแดดต้องดูการดูงาน บางทีก็ขึ้นไปพักกุฏิไปหาพักตามที่พักที่ทางเดินยังกลมวันนั้นพวกลูกหลานทั้งหลายนะจะเป็นนักศึกษานะจะมายัวเย้จุดที่ใต้ถุนศาลาเนี่ยไม่ได้นะแต่าตามไม่จริงก็จับหลวงพ่อไม่พูดจะให้ครูบาพูดครูบาก็ไม่กล้าที่จะพูดเหมือนกันแต่ถึงยังไงก็ ศรัทธาญาติโยมก็มาจากจาระตุรทิศเข้ามาสู่วัดก็มาเห็นพระของเราเนี่ยจุดเ ย, ยีอยู่แถวนี้มันก็ไม่ใช่หน้าที่เหมือนกันว่าพระหลวงพ่อพอฉันเสจหลวงพ่อไล่ออกเข้าไปอยู่ในป่าหมดเว้นเสียแต่ว่าอกไหนมาทำธุระการงานยังค่อยออกมาทำถ้าหากว่าไม่มีธุระการงานอะไร ไม่เกี่ยวข้องกับศาลาหลวงพ่อจะไล่ข้อปบาทั้งหมดเพราะตรงนี้เป็นที่ฉันอาหารเป็นที่ปฏิบัติธรรมสำหรับคนที่มาเกี่ยวข้องสำหรับพระในวัดแล้วหลวงพ่อต้องไล่ไปอยู่ในกุฏิที่พักพาอาศัยในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนภิกษุไปดูสิในพระไตรปิฎก ท่านว่ายังไงท่านบอกว่าเมื่อพระชันจังหารเสร็จเรียบร้อยแล้วไปหาที่สงบสงัดที่แจ้งลมฟางโครนต้นไม้ที่ว่างเงื้อมผาเอะชะงอนหินที่ไหนเป็นที่สงบสงัดหลีกเล้นอยู่ตามลำพังนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายกําหนดลมหายใจเข่าออก อาณาปาณสติถ้าว่าผู้ใดก็าตามบวชเข้ามาแล้วไม่ได้ภาวนาไม่ได้ตั้งใจภาวนาอยู่เป็นวันๆไม่คุ้มค่าอาหารที่เขาบริจาคมาไม่คุ้มค่าอาหารที่เขาบริจาคมาทานบริจาคทานแต่ถ้าว่าผู้ใดองค์ใดนั่งขัตตมาธิกาหนดจิตกาหนดใจ เห็นอเนจังทุกขังอนัตตาพิจารณาร่างกายเพียงลัดนิ้วมือเดียวก็คุ้มค่าอาหารที่เขาถวายมานั่นแหละอันน okay. ี้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้คิดไม่ใช่เราโยอยู่เป็นวันๆไปแต่ไม่ได้คิดแต่อ่านอะไรไม่ได้นะไม่ใช่เรื่องของพระนะพระพุทธเจ้าไม่ให้ทำอย่างนั้นนะแต่ท่านแนะนำสั่งสอนพระสงฆ์ ให้มีสมาธิให้เดินปัญญาให้พิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เห็นพิษภัยในวัฏฏะสงสารถึงเราจะเข้ามาบวชชั่วข้าวก็เถอะพราะเรามาบวชชั่วข้าวเรามาบวชเพื่อมาเรียนเพื่อศึกษาแนวทางในการประพฤติปฏิบัติแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้ศึกษาเข้ามาแล้วมาอยู่เล่ยละๆอยู่อย่างเนี้ย พอศึกออกไปพวกเราก็จําตําหนิพระอีกเข้าไปไม่เห็นมีอะไรไม่เห็นทําอะไรแต่ละวันมีแต่ั่งคุยกันมัชัดน้ําร้อนก็ไปพราะเหตุไรเพราะพวกเราไม่ได้ศึกษาตามแนวแถวของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา้าพระพุทธเจา้าท่านบอกว่าให้เห็นเข้ามาศึกษาเนี่ใช่เหมือนกับเราไปเรียนในมหาวิทยาลัยนะั่นตื่นเช้ามาแล้วก็ต้องล้างหน้าแปลงฟันใส่ชุด มหาวิทยาลัยชุดนักเรียนอยู่ในฟอร์มเสร็จแล้วเราก็าไปขึ้นรถไปแล้วก็ไปเรียนหนังสือเข้าห้องเรียนเมื่อเข้าห้องเรียนครูบาอาจารย์ก็สอนอให้นังสือหรือให้แนวความคิดหรือให้ทำอะไรเสร็จแล้วเราก็กลับบ้านกลับบ้านมาแล้วกัน ก็ทำอย่างเก่าพุ่งในเช้าอีกเราก็ล้างหน้าแปรงฟันอีกทำอย่างเก่าอีกไปโรงเรียนไปโรงเรียนลกลับมาอีกอย่างเก่าอีกดูดูแล้วก็ น, น่าเบื่อเราได้อะไรไอ้ตรงที่ได้ก็คือครูสอนนักเรียนวันนี้ให้ข้อให้การบ้านอะไรให้ทำอะไรให้ศึกษาเรื่องอะไรตยทหรือคณิตหรืออังกฤษ หรืออะไรที่ครูบอกให้สอดครูสอนในวัดนี้จากนั้นเราก็ได้ไปได้ความรู้เพิ่มเติมขึ้นไปเรื่อยๆ อ, อันนี้เมื่อเราเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาก็เหมือนกันครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่อพิจฉาวให้แนะนำว่าให้ภาวนานะให้ดูใจของตนเองนะให้ใจอยู่ในความสงบนะให้ดูใจคองตนเองวันแต่ละวันมาคิดเรื่องอะไรมันปรุงไปเรื่องอะไรนี่แหละ พวกเราได้ปฏิบัติไหมตรงเนี้ตรงที่ว่าดูใจของตนเองทําจิตใจให้สงบมันสงบไหมมันทํายังไงนี่แหละเราศึกษาจากนั้นเมื่อเรานั่งสมาธิเอาจริงจังนะไม่ใช่ทำํำรลองๆเลยๆไม่ได้นะนั่งคัสมาธิเอาจริงจังนั่งเป็นชั่วโมงชั่วโมงดูซิดูใจมันคิดเรื่องอะไรถ้ามันคิดไปเรื่องอาหงอาหารไปคิดไปเที่ยวเตะเล่หลอนพิด ถึงบ้านคิดถึงคุณโน้นคุนี้นอนาลกิเลสให้ดูเอาไว้นั่นแหละตัวกิเลสหลักของพุทธศาสนาพระุทธเจ้านั้นละคือตัวกิเลสกิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสมหะดึงลากจิตใจของเราออกไปข้างนอกเรายังไม่รู้อันนี้คือเราศึกษาเรื่องอะไรเรายังไม่รู้เจ้าวาลึกศึกษาเรื่องอะไรมาอยู่ในวัด ตามไม่จริงศึกษาเรื่องของใจใจนี่แหละใจเป็นให่ใจเป็นหัวหน้าเสําเร็จแล้วด้วยใจถ้าใจของเราฝึกตีแล้วห้ามใจตัวเองดีได้แล้วจะคิดอะไรปรุงเรื่องอะไรห้ามอยู่มีสมาธิห้ามก่อนที่จะคิดคิดมีประโยชน์ไหมหรือไม่มีประโยชน์ในการคิดของเราเนี้มันคิดไปถึงบ้านคิดไปเพื่ออะไรเราไม่เคยอยู่ในบ้านหรอกคิดไปเรื่องอาหาร เราก็เคยทานอาหารมาแล้วมันได้อะไรทานมากเท่าไรก็ยิ่งทายกองใหญ่ขึ้นมามันได้อะไรได้เพียงแค่นั้นใช่ไหมถ้ากินมากจะได้ยิ่งอ้วนถ้าอ้วนเข้ามาแล้วเป็นไงเป็นอันตรายต่างหากใช่ไหมสิ่งเหล่านี้มันต้องได้คิดทั้งหมดเพราะฉะนั้นอย่าไปตามใจความคิดของตนเองคิดนอกนอกรูปนอกทางถ้าคิดก็ต้องคิดตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าที่ท่านให้คิดเองเมื่อจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่ง จิตใจนิ่งสงบเมื่อจิตสงบแล้วนำมาพิจารณาทางด้านปัญญาเห็นอสุภะเห็นร่างกายเห็นความเกิดแก่เจ็บตายของตนเองนั่นแหละอันนี้เป็นทางแล้วทีนี้เป็นทางแห่งแนวความคิดตามแนวแถวของพุท ธ, ธะแต่เอาเถอะขาวนี้ถึงจะไม่ได้อะไรกระทัางทาเพียงแต่ทำจิตให้สงบเพราะนั่นะทาจิตให้เป็นหนึ่ง ให้จิตรวมลงเป็นหนึ่งให้ได้ถตาจิตรวมลงสงบลงเป็นหนึ่งให้ได้แล้วเราจะรู้รสของพระธรรมรู้รสของคำสอนของพระพุทธเจา้ารู้รสของพระพุทธศาสนาโอ้พระพุทธเจ้าท่านเรียนรู้ท่านศึกษามาได้อย่างไรเพียงเราเพียงแคบเดียวเท่านี้เรายังมีความสุขถึงขนาดนี้จิตใจสงบเรามีแต่จิตใจปุ่งฟุ้งอยู่ทั้งวีทั้งวันมีแต่ความทุกข์ เราวิ่งตามลูกพุทบอลอยู่อย่างเนี้ยอืมเราหาความสงบสุขไม่ได้เลยแต่นะเพ้อเพอคิดเข้าไปมากมานะแตนะ่ถ้าปงฟุ้งมากมากถ้ามีอารมณ์บางเสียงมาอย่างมากระทบอย่างแรงใจของเราปงฟุ้งขนาดนี้เผอเพอจะเป็นบ้าเอาเพราะมันคิดมากเออคิดถึงใครเขาไม่รู้ทําไมจะหาคิดอย่างนั้นทําไมใจของเราเป็นอย่างนี้ แต่เมื่อจิตใจสงบแล้วเราจะเห็นโทษแห่งความฟุ้งซ่านเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆคนนะลูกหลานทุกองนะเข้ามาบวชคราวนี้ให้มาตั้งใจเหลือไม่กี่วันข้างหน้านี่แหละเพราะนั้นหลวงพ่อเองไม่อยากจะให้ลูกหลานตำหนิพระธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาพระตาหนิพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเพราะตัวเองไม่จริงจังถ้าตัวเองจริงจังแล้วตัวเองจะรู้เหมือนกับ ผู้ที่เคยขุดทองมาก่อนตรงนี้มีทองคำนะตรงนี้มีทองคำนะขุดนะใส่ใจในการขุดทองนะมีแน่ทองแต่ตัวเองไปแบกจอบไปเกิดเลยไปเลืมาขุดจอกแจกไม่มีทองมันจะมีไา้ยังไงเพราะตัวเองไม่จริงจังไม่จริงใจถ้าตัวเองจริงจังและจริงใจต้องเจอทองอยู่ที่นี้ นี่ก็เหมือนกันทำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนว่าทำอย่างนี้นะจิตใจของท่านจะสงบเมื่อจิตใจของท่านสงบแล้วท่านจะมีความสุขอย่างนี้เราจริงจังเพียงจริงจังขนาดไหนเราจะมาตัวถึงความร้อนหลบหลบหลกๆกเลีลลล่ยงเลี่ยงยอย่างเงี้ยได้ไหมโลกนี้ต้องโลกต้องสู้ทั้งนั้นแหละไม่ใช่โลกละแลยนะเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้านะเราจะต้อง เผชิญทั้งกายทั้งใจด้วยเอกายเราก็ต้องเผชิญอีกแบบหนึ่งใจของเราต้องเผชิญอีกแบบหนึ่งโลกกระทำกระแทกกระทันกระแทกแดกดันเข้ามาเนี่ยเราจะสู้ไหวไหมเราจะอ่อนแออยู่อย่างนี้มันไม่ได้นะใช่ไม่ได้เพราะในพวกเร pumped, เานะเข้มแข็งนะทุกองคนะ่หลวงพ่อเห็นไหมสมัยหลวงพ่อเป็นเลนน้อยเนี่ยพวกท่านก็ไม่เห็น อายุสิบกว่าปีเนะอยู่ในป่าดวงพงไพยอยู่ปูเจ้าก้อนไปดูสิเดี๋ยวนี้ก็ยังภูเขาขนาดนั้นตะกอนไม่มีปูนซีเนมนต์แม้แต่เม็ดเดียวอยู่นั้นมีแต่ธรรมชาติปีนป่ายขึ้นไปอยู่อย่างนั้นสัตว์สาราสิงก็เยอะอีกต่างหากพวกงูกเออพราะเราอยู่กับธรรมชาติเรียนรู้ธรรมชาติอย่างมากถ้าจะว่าแกร่งไม่แกร่งเ้าาสู้ไม่สู้ เออตัวเด็กๆยังคอนน้าขึ้นจากตีนเขาขึ้นไปบนหลังเขาอีกคลอนธีระปิบนะไม่ใช่ธรรมดานะเออคอนน้าธีระปิบปิบหนึ่งมันขนาดไหนเหมือนกระหาบน้ำธีระปิบอย่างนั้นะคำว่าคลอนเนะ่เนี่ยและเราสู้ทุกรูปแบบถ้าจะว่าแกร่งไหมหตรงพ่อมองมอ ง, มองหลังดูก่็ไม่ใช่ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันฮนะอแต่ไม่ใช่ชมตนเองนะบอกว่ามเราเนี่ย รอดล้มรอดตายมาจึงถึงวันนี้ได้เพราะนั้นมาถึงวันนี้แล้วเห็นลูกเห็นหลานเนะ่ขนาดแดดหน่อยเดียวเกิดหล่อๆแล่ๆขี้กลัวเนะี่ยหลวงพ่อเนะี่ยมันขันเขี้ยวองพูดง่ายๆนะเพราะนั้นพอให้ลูกหลานทั้งหลายเข้มแข็งนะพูดทั้งนี้ทั้งนั้นนะต่อเนี้ไปนั่งสมาธินะที่นี้เอาฟังเปิดเทป MP3 มงกฟอฟังต่อนะนั่งคัดสามาทิฟังนะับนี้นะ